บุ๊กทูหกสองการตั้งคำถามหนึ่ง p o s t a v н v a n i e เรียน у ч и นักเรียนเรียนมากไหม учатли учениците много ไม่พวกเขาเรียนน้อย Не те учат м а л к у ทำพ п р а ш ุว а คุณถามคำถามคุณครู บ, ой, ай, ครบ่อยไหมไม่ครับผมถามท่านไม่บ่อยตอบกลับ วช่วยตอบกลับด้วยครับผมตอบกลับอวสอดกูวาทำงา น, งานเขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม Работи ли т ต й сега? เล g a ใช่ครับเขากำลังทำงานอยู่ да, той р а บ о т ติ е г g a а той р а б บ т и сега g a มาตัวอคุณจะมาไหม к е д о ด д е т е к е д о ต д е т е ครับเรากำลังจะมาเร็วๆนี it, right? ้ด่ค่ดูอีเดเมวดนาชด่ค่ดูอีเดดนาชอยู่ Ж ีเวจีเวคุณอยู่ในเบอร์ลินใช่ไหมครับ Ж ิเวตีเบอลินครับ ผมอยู่ในเบอร์ลิน Да, я ж и в จิเบอร์ลินยเบอร์ลิน